ท่านังที่กรบค่คะเราปฏิบัติธรรมกันมาฟังพระสูตรพอสมควรในรายการสังสน์สมทนาแล้วตอนนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเป็นเวลาที่จะได้พบกับท่านเพบูร์หรือว่าพระเพบูร์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีที่จะนำเอาคำถามทั้งหลายที่เป็นข้อสงสัยตอบด้วยพุทธวจนะของพระศาสดานะคะกับนอกนั้นก็จะเป็นการได้เฉลิมฉลอง พุทธชยันตีด้วยเนื้อหาที่ท่านได้นําเอามาฝ่าให้ค่ะเรามาพบกับท่านในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันเลยนะคะน้อสการนท่านคะเชิญพอค่ะวันนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตที่จะเรียนท่านฟังได้ไหมคะว่าท่านเพิ่มบวนกรอบประเทศไทยแล้วอืมกลับมาจากประเทศนอร์เวย์ตอนนี้ก็บันทึกเสียงอยู่เมืองไทยค่ะแล้วก็จริงๆกลับมาหลายวันแล้วแต่ก็เลยถือโอกาสให้ท่านพักผ่อนด้วยเพราะว่าท่านขยันบันทึกเทปล่วงหน้าไว้เยอะ ทานู้นเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่ไปก็พูดถึงสภาพอากาศก็อากาศหนาวคือหนาวของบ้านเรามันก็ธรรมดาของเขาอะนะของเขาก็หนาวอยู่เป็นปกติอยู่แล้วหนาวนี่ก็คือว่าศูนย์องศาโดยประมาณบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองประมาณนี้อ๋อศูนย์นี่เป็นมาตรฐานเลยจะกยับกระซ้ายขวาเนี่ยหน่อยใช่ในช่วงนั้นที่ไปเพราะว่ามันช่วงฤดูหนาวอยู่ คะ่ะแล้วสุภาพท่านกับท่านหลวงพ่อเป็นยังไงคะเราก็ไปได้ด้วยดีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เพียงแต่ว่าในอาคารก็ไม่ได้หนาวอะไรน ะ, ะในอาคารนี้ก็อยู่ได้เขาก็เปิดฮีเตอร์กันสบายอยู่เอแต่ภายนอกจะออกไปข้างนอกก็ต้องมีความรัดกรุมมีความระวังพอสมควรไกลขนาดนั้นเนี่ยมีคนสนใจพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใดคะท่านคะเออคือถ้าที่ไหนมีความทุกข์เนี่ย เขาก็จะมีคนสนใจเรื่องทางออกของทุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่ไปเนี่ยก็มีออนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีหลายๆคนก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรกลับมาคิดว่าถ้าไปดูเว็บไซต์แหละจะเห็นรูปอยู่บ้างเทวธรรมะคอมนั่นนะคะใช่ที่ว่าได้มีการเขาเรียกว่าแสดงธรรมที่นู่นก็ไป เ, เปิดเขาเรียกเหมือนกับคล้ายๆหอประชุมอย่างเงี้ยก็มีผู้คนมาฟังธรรมะด้วย เขามาปฏิบัติกันด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราก็สอนอยู่ที่เราสอนอถ้าเราสอนสิ่งที่ถูกต้องเลยใช่ั้มก็ก็ถูกรับข้อมูลที่ถูกต้องเลยมีนะชาวต่างชาติมาปฏิบัติไหมคะใช่ใช่ก็เป็นชาวต่างชาติอยู่จํานวนหนึ่งอ๋อนะค่ะนะคะก็เรียกว่าพึงพอใจไหมครับกับการที่เดินทางไปไกลขนาดนี้เพื่อเผยแผ่ไะคะโอพอใจอยู่แต่หลวงพ่อท่านก็มีความพอใจได้แสดงธรรมสอนธรรมะ แล้วก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆคื อ, อคําถามของชาวต่างชาติก็จะไม่เหมือนกับของคนไทยนะค่ะก็เลยจะปรับเรียนถามอยู่พอดีเลยเป็นอย่างไรกรับท่านค ะ, ะเขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องการความเป็นอยู่ของพระด้วยอันนี้ก็ชีวิตของพระนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วเรื่องของธรรมะนะซึ่งก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของการใช้ในชีวิตประจําวันสมัยเราต้องนั่งสมาธิคือคําถามที่เป็นพื้นพื้นนะที่เราอาจจ ะ, ะไม่รู้จะถามทําไมอย่างเงี้ยนะ พราเรารู้ข้อมูลกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมาะถามตามกันก็มีก็อ า, อาจจะไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้มาก่อนใช่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าคนไทยแรกเริ่มก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> คุณคุณโยมติ๋วลองคิดดูสมมุติว่าเวลาที่เราไม่ไม่เคยเจอข้อมูลอย่างเงี้ยนะ พอมาเจอข้อมูลวิธีการปฏิบัติอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพรดฉะนั้นเขาก็จะมีคําถามลักษณะนี้นคนไทยสองสามรปีเริ่มเริ่มที่พระโสนพระอุตระเดินทางมาเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนถือผีถืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถือต้นไม้ถืออะไรก็ว่าท่านมาก็ให้ข้อมูลถูกต้องก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านคุณคะจาเป็นไหมคะพูดที่มาเรียนกับท่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธ อ๋จริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นนะคือศาสนาไหนเนี่ยก็ถ้ามีผัสสะเนี่ยเขาจะต้องมีเบตนาศาสนาแล้วมีไหม ค, คนที่มามพร้อมๆกับศาสนาเขาและก็ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเลยก็คือมาเรียนรู้แต่ก็ยังขอนับถือศาสนาเดิมเเราก็ไม่ได้บอกให้ใครต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหนาะ<ม>แค่สิ่งที่เราบอกก็คือว่าคุณรู้เราหมายใจคุณไหมถ้าคุณรู้เราหมายใจคุณโอเคแค่นั้นพอ นะ<อ>คุณเคยประสบการณ์ความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์ไหมบางทีเป็นทุกข์เป็นสุขไหมถ้าเป็นใช่ไหมโอเคคุณสามารถรู้ว่ามันไม่เที่ยงได้แค่นี้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกต่างประเทศนเยอะนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรท่านพบูลอยู่นี่แล้วเดี๋ยวค่อยๆผ่อนส่งถามคําถามไปละกันวันนี้บมาว่าด้วยคําถามแรกก่อนว่าพุทธชยันตีที่เฉลิมฉลอ ง, งกันสืบเนื่องมา ด้วยสาระทำในรายการนี้นี่ท่านพิบูลเลือกอะไรมาคะวันนี้ก็จะพูดถึงความที่พระเจ้าของเรานี้สามารถสอนพวกเทวดาพวกเขาเรียกว่ากายทิพย์ต่างๆนะที่เราเคยเจอแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่เคยเห็นพระเจ้าเนี่ยไปสอนพวกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเลย <c oughs> คือตั้งแต่ต่ำความโปดลลงไปเนี่ยจะไม่เคยเห็นพระเจ้าได้บอกสอนใครมีที่ ติดต่อกันใกล้มากที่สุดเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ใช่โดยพุทธวชน ะ, ะที่เกี่ยวกับเรื่องของช้าง่มาชช้างที่มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าที่ตอนนั้นไปอยู่ป่าริกรักกิตะวันที่แถวป่าไร่ไรน ะ, ะแล้วก็ได้มีช้างมาอุปถัมภ์อยู่ประมาณพันศาหนึ่งึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรในที่นั้นก็เลยคิดว่าอนนี้พระเจ้าก็ตรัสเองด้วยว่า ตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปคือถ้าอยู่ในอบายเนี่ยคือตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเกิดเดรัจฉานเปรตวริสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็จะไม่สามารถตรัสรูท้ทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานี่ต้องดีใจนะคะอะไรก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช่ควรจะดีใจมากควรจะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันยากจริงๆนะคุณโยมติว๋วพระเจ้าเคยพูดถึงความยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเต่าตาบอดที่ เขาว่าอยู่ในทะเลเนี่ยคือเปรียบเสมือนเหมือนโลกของเราเนี่ยน้ําท่วมหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นะนะแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดขึ้นลงอยู่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะเอาหัวของเขาเนี่ยขึ้นยื่นเข้าไปอยู่ในบนทะเลเนี่ก็มีแอกอยู่อันหนึ่งนะที่มีรูจาะไว้รูเดียวยากขนาดนั้นที่ก็เต่าตัวนี้จะเอาหัวยื่นเข้าไปในรูนั้นได้ตาดีกว่าไปอย่างแต่ก็ มันขึ้นอยู่กับเรานะคะได้เกิดมาแล้วเดิฉันฟังแล้วเนี่ยต้องย้ำเตือนทุกครั้งเลยว่าขอให้ดีใจว่าเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสาที่จะฟังธรรมและท่านทั้งหลายก็กำลังฟังธรรมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้สั้นๆทนเท่านี้ก่อ น, <ช>นเรื่องไหคะเรื่องพุทธยนตีตส่วนเรื่องคาถามค่ ะ, ค, ะคื อ, อ, อท่านเองก็ได้พูดว่าคำถามที่ทางนอร์เวย์เนี่ยค่อนข้างจะพื้นๆ ดิฉันเองก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคำถามเดียวกับที่กำลังถามท่านนะคะแต่จะถามกว้างๆในเรื่องพื้นๆมีเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเขาเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมแล้วนะคะแล้วก็เคยมาฟังธรรมเกี่ยวกับพุทธวจนะวันนี้โทรศัพท์คุยกันท่านเป็นผู้ใหญ่มากเขาบอกเอ๊ะมีไหมที่พระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ตรัสสอนเรื่องสูงๆคือเรื่องที่เน้นการปฏิบัตินี้ทุกอย่างสิ้นเชิงคือเดินมากนั้น เพราะว่าสังเกตว่าเวลาศึกษาพุธทธวจนะเนี่ยดูเหมือ น, นว่าจะเป็นเรื่องยากๆเรื่องพื้นพื้นที่สอนในชีวิตความเป็นอยู่ของคารวาสเนี่ยมีหรือไม่คะอ๋อคือคนที่ศึกษาพุธทธวจนะเนี่ยจะเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากถูกนะไหมแล้วก็เราก็เลยพยายามจะคิดไปเองว่าโอ้พระเจ้านี่สอนสิ่งที่สูงสูงอะไรแบบพื้นพื้นชาวบา้านชาวบา้านคงไม่ได้พูดถึงโอ้ยสูงเกินไปสําหรับเรานี่นี่คุณคิดเองเลย นะคือจริงๆพุถุชาก้มไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสอนชาวนาทำไมจะไม่ไปสอนนะสอนกระเบียบดีการทำกินอยู่ใช้ทรัพย์ใช้จา่ายทรัพย์ยังไงนะสอนว่าเออคุณเลี้ยงลูกยังไงคุณควรอยู่กับสามีภริยายังไงอ่าคุณควรจะปฏิบัติมาตรดาบิดาอย่างไงพวกนี้สอนหมดเลยเ อ, อ่<ะ>อย่างศีลห้อย่างเงี้ยศีลที่ขั้นพื้นฐานเนี่ยก็เพื่อคารวาสโดยเฉพาะ เสอนวิธีทำกินคุณต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนนะตัวชุ่มดึงมาปรกอทรัพย์ที่หามาได้เงน้นดนะีหามาแล้วทำยังไงแบ่งจ่ายทรัพย์ยังไงอย่างนี้สอนหมดคือถ้าจะพูดถึงเป็นปริมาณเพราะที่ฉันจำได้ว่ า, เ, าเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงตรัสสอนแตเเ่เรื่องของทุกข์ใช่จริงไหมคะเรื่องของทุกข์นี่สอมากที่สุด แล้วถ้าคิดว่าเป็นสัตว์ส่วนเกี่ยวกับเรื่องบ้านๆอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านชาวบ้านเรื่องการคลองเรือนอเรื่องการดําเนินชีวิตเนี่ยคิดเป็นสัตว์ส่วนสักเท่าไหร่คะลายเล็บก็น้อยมากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่พระพุชธ้ชาเนี่ยจะพูดกับภิกษุซะมากกว่าจะไม่ได้ค่อยพูดกับขราบดีหรือว่าถ้าขราบดีมาถามก็จะถามปัญหาเรื่องธรรมะเป็นส่วนมากก็จะมีะบ้างแต่ที่คุยเรื่องทางบ้านฉัจนจนะใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยพระพุท้าก็ตอบให้แต่ดิฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าท่านจาก ถือโอกาสในช่วงนี้ที่จะค่อยๆบอกไปวันละเรื่องสองเรื่องที่จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าศาสดาของเราเนี่ยท่านรอบรู้จริงๆและท่านเข้าใจและท่านก็แก้ปัญหาให้พวกเราได้หมดเพียงแต่ว่าปัญหาที่ท่านอยากให้แก้มากๆคือเรื่องยากที่สุดที่คิดกันเองไม่ได้คือคื อ, คอเป็นอย่างนี้คุณโยมติวถ้าสมมติเราสามารถแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วเนี่ยไอ้ปัญหาอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กไปหมดไง อ, อย่างเช่นว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างใน ในบริษัทอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเก็บเอกสารอย่างดีในโครงการใครทําโครงการโปรเจกต์หรืออะไรอยู่เงี้ยทุกคนในโครงการเก็บเอกสารอย่างดีไม่มีปัญห า, าได้มาปุ๊บ ก, ก็เก็บขึ้นทันทีอย่างเป็นหมวดหมู่ตอนปลายปีเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการม า, อ, าออเดตนะที่มีคนมาตรวจสอบโครงการอะไรต่างๆเอกสารหาไม่เจอพวกนี้จะไม่มีปัญหาเลยนั่นคือมันจะแก้ไปโดยอัตโนมัตเิเช่นเดียวกันถ้าเราแก้ความทุกข์ในจิตของเราได้ คนความไม่เที่ยงคุณปล่อยวางได้ไอ้ปัญหาอื่นพื้นๆไปเลยลูกด่ากันพ่อแม่ไม่รักกันพวกนี้แก้ไปได้หมดเลยจบไปเลยอย่างไงนะคะแต่ว่าบางทีค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดคุณโยมติ๋วความทุกข์ของชาวบ้านความทุกข์ของขอทานความทุกข์ของเศรษฐีมาเศรษฐีกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยจะสาวรวมกันไปจนกระทั่งถึงเหตุแห่งความทุกข์นั่นคือตัณหาค่ะมันมาจบที่เดียวกัน ถ้าเรากำจัดตัณหาได้ละตัญหาได้ค่อยๆไปเดินตามเดินตามระบบของมรรคเนี่ยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของชีวิตเราแก้ได้หมดค่ะทีนี้สำหรับหลายท่านที่มีข้อสงสัยแบบคุณพี่ที่ถามเดฉันมาเนี่ยน เ, เข้าใจว่าก็คงจะเป็นห่วงว่าคนบคนเนี่ยเขาอาจจะคิดไปไม่ถึงถึงเรื่องว่าความทุกข์จากการแก่เจ็บตายมันน่ากลัว เขายังมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยู่ได้พอตัวอยู่ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เลยคิดว่าต้องดึงดูดคนพวกนี้ด้วยการเอาข้อธรรมที่ทาให้เขาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดิฉันจึงขอถามเป็นเรื่องราวหนึ่งข้อ <S <S 2> <S 2> <S 2> ว่าหากมีชาว่าดคนหนึ่งอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้ค้าขายอย่างไรให้ร่ำรวยอ๋อสอน<ด>อยู่คะ่ะพระเจ้าเคยพูดถึงนักธุรกิจหรือว่าพวกที่ทาการค้าขาย ว่าชาวบ้านชาวนักธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขาจะค้าขายยังไงให้ร่ํารวยนะเคยพูดไว้อยู่สองในยะ <Okay. S 1> uh, นยะแรกเนี่ยพูดถึงว่าคุณต้องทํากิจการงานอย่างดีนะทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนะเช้าทําอย่างดีกลางวันทําอย่างดีเย็นทําอย่างดี <Okay. S 1> อันนี้คือในยะที่ <Okay. S> 1ทําอย่างดีนี่คือไม่ใช่ว่าเราคือคุณขายได้ดีในเวลาไหนเนี่ยคุณเอาเอาไวลา้ล้นมาทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งเช้ากลางวันเย็น อันนี้ข้อที่1นะนี่ใ น, ะ น, นยะที่1น่ง<ะ>หรือในยะที่สองที่เคยพูดไว้โดยท่านภาษาดิบุตรเป็นคนถามก็คือว่าคุณประวรณ า, าอะไรไวนะ้ถ้าคุณให้น้อยกว่าที่ประวรณน า, นาประวัณนานี่หมายถึงคุณมีคอมมิตเมนต์อะไรไวแล้วนะคุณให้น้อยกว่าที่คุณคอมมิตเอาไวนะ้พวกนี้จะค้าขายแล้วขาดทุนถ้าคุณมีประวัณาคอมมิตอะไรไว้คุณให้เท่าที่คุณคอมมิตเอาไวนะ้พวกนี้จะค้าขายได้มีกําไร แล้วถ้าคุณปรารณาอะไรไว้คุณให้เกินกว่าที่คุณปรารณาไว้พวกนี้จะค้าขายมีกําไรมหาศาลก็ถ้าเปรียบเทียบนะกับว่านี่คือจุดประสงค์ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบเป็นนิสัยเดียวกันน่ะกับที่คุณไปเจอลูกค้าคุณจะลูกค้าคุณสัญญาลูกค้าไว้อย่างนี้คุณให้เขามากกว่าอย่างนี้คุณมีกําไรแน่ลูกค้าจะรักคุณมากแน่ค่สั้นๆที่ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก็จะมี2ระยะตรงนี้ นะคะพราะขาแะข่ขาต้องขยันขันแขน็งไม่เลือกเวลาเลยใช่ทำอย่างดีเช้ากลางวันและเย็นคะ่ะแล้วก็ต้องทำให้มากเท่ากับที่สัญญาไว้เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยค่ะนะคะอันนี้ก็ตรงตัวไม่ใช่ว่าท่านไม่สอนนะท่านสอนดิฉันเองก็ต้องขอช่วยท่านเทบุลยืนยันนะคะเพราะว่าศึกษามาเนี่ยก็ได้พบว่า มู่คุ้มทราบจริงๆเลยมไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่อื่นเลยทุกอาชีพทีนี้ว่ามันก็จะมีอีกใยนันหนึ่งที่ว่าเหมารวมหมดเป็นเหมารวมหมดก็คือให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอ่าถ้าอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหวังลาบได้ลาบหวังชื่อเสียงได้ชื่อเสียงหวังความรักความเมตตาได้ตรงนี้ได้หมดเนี่ยค่ะแต่พูดถึงแบบเนี้ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะคำว่าศีลโอ้โหมันมันกว้างอนะไนศ้ล สีนี่ไม่เท่าไหร่นะคะยังพอนึกหน้าออกสมาธินี่บางคนบอกคิดไปไม่ถึงเลยพยายามเท่าไหร่มันก็ลุกลี้งลุกโลนอืมในใจสัตลอดส่วนปัญญาอะไรละ่ะที่ว่าปัญญาอย่างนี้มันยากจริงๆท่านาเป็นวิธีที่ไม่ยิ่งยากกว่าวิธีทั่วๆไปที่ทํากันอยู่ละคะคอยากได้ทุกอย่างนะคะคือว่า อ, อสิ่งที่เราพูดในรายการนะักปัญญบิวติก็ไม่หนีไปจากสีสมาธิปั ญ, ญญานี่ก็ไม่ อย่างอย่างคุณทําการค้ายอย่างดีอย่างเงี้ยทําไมคุณจะไม่ใช้ปัญญาทําไมคุณจะไม่ใช่สมาธิคุณใช้อยู่นะเพียงแต่ว่าเราเราภาษาพูดคุณอาจจะไม่เข้าใจเราก็ต้องค่อยๆมาอธิบายกันฟังธรรมะเรื่อยๆก็จะค่อยๆแตกชานขึ้นเนี่ยค่ะแล้วที่ดิฉันตั้งคําถามขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะคะดิฉันเชื่อแต่ว่าตั้งเพื่อที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าดิฉันก็พอจะเข้าใจว่าคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ย <c oughs> นะค ะ, <c oughs> ะจะมีความสงสัยแบบนี้แหละแต่ว่า มันต้องเข้าหาแล้วก็ต้องนํามาไปปฏิบตัติใช่ไหมคะแน่นอนเลยคือคนที่ถ้าคุณมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในเวลาคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์คุณเข้าหาคําสอนพระพุทธเจ้าหมดนี่เรียกว่าคนที่มีความเป็นที่พึ่งคุณเอาพระพรหมพระพุทธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหมนะคือเวลาคุณมีปัญหาคุณเข้าหาเล ย, ยนี้ถึงจะถูกนะคะท่านปบูลพูดถึงทุกปัญหาปัญหาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในทุกระดับในเชนว่าโลกมนุษย์เนี่ยมีความมีปัญหาพวกนี้เยอะเหมือนกันมีม่ก็แก้ได้แล้วก็เหลืออีกสักกี่นาทีนะคะเพิ่งเออในเชิงวิทยุหนึ่<ด>นาที ห, หนึ่งนาทีเลยบอกไม่ได้เลยดนฉันมีตัวอย่างพรุ่งนี้ติดตามเหมือนกันละกันนะคะตัวอย่างเออโหชัดเจนพอฟังแล้วบางท่านอาจจะบอกไหนศีลไหนสมาธิไหนปัญญารีบทำเลย อ, อยากได้รวยเป็นพันล้านเลยนะคะคนนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีไหมคะได้พุทธะพรุ่งนี้ต่อไป ก็กราบ น, นมหัศการขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านเพริบุญอภิปุลโนกระภิกษุจากวัดป่าดอนหายโศกที่มีปฏิปทาจากเผยแผ่คําสอนของพระศาสดารวมไปถึงการปฏิบัติด้วยนะคะเจริญพรอุดรธานีวันนี้ น, นมัสการขอบพระคุณค่ะเจริญพรทุกท่านที่เคารพค่ะท่านก็อยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมมีสนทนาสัมมีหน้าคงศ์เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะเราพบกันเช้าตรู่พบตั้งแต่ที่ฉันมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมให้มาจากรายการเช้าจังจนกระทั่งวันนี้นมีความรู้สึกว่าเป็นเวลาดีด นะคะเพราะที่ฉันได้ยินว่าเวลาใกล้ๆกันเนี่ยในความหมายของพระพุทธองค์เขาถือวเป็นเวลาทองเวลาทองจริงหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์นะคะเดี๋ยววันนี้คอยถามท่านพิบูรน์ก็แล้วกันค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะท่านที่สนใจจะศึกษาพุทธวัจนะจะได้เป็นคู่มือเตรียมเอาไว้สำหรับการที่ท่านคือตบบพวกเรา022690006โทรเข้ามานะคะสาหรับวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ